50 languages. หดิฉันวารูปผู้ชายเอ่มจากศีษะก่อน พผู้ชายสวมมวกมรดก์เคสส์ส์ปะทูปีมองไม่เห็นเส้นผมอ स สे์บ้าลนั่งร์นไม่ร่หมองไม่เห็นหูด้วยอุสก์เคคานบีนั่งร์นไมร่ห์มองไม่เห็นหลังด้วย ดิฉันกาลังวาดตาและปากแม่ตาข้อหรือมูบันน่าร่าห์หผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะวูมาร์ด์น र าชร่าห ह เหอหร ह อหัสร่ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมาร์ดกีนาลบห เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา उ อ क े हाथ में า क छड़ी ह ีอเขาีกวยเขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย उसने गर्दन क น इ र ् द ग ร र ् द एक श งเขาอีกด้วมัน่อเป็อีกนฤ่ออดูหยมันราวและอากยาศนรเีกย็มานคอทีรอบขมันคทขงายขนแ่รขงแรง บา่าซูมั่งมั่นแข็งแขแข็งแรงด้วยตางเก็บม่มั่นแทงผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะยี่อามีบรฟก้าแต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมวูเปนต์ออร์กูตไม่เพินต้าแต่เขาก็ไม่หนาวสั่น फिर भी उसे सर्दी नहीं लगती है। वह क ु र ् त ु त ा हिमा। वो बर्फ का आदमी है।